ท่านฟังคะรายการสัสนิสฐนนานะนะคะที่ท่านกําลังฟังอยู่ในขณะนี้เราพบกันจันท์ถึงสุขคะ่ะและในช่วงก่อนที่เราจะจากการในแต่ละวันดิฉันก็จะได้อ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เป็นการฝากเอาพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเองเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธองค์เองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้อ่านให้ฟังในช่วงที่เสด็จดับขันท ป, ประริณิพานแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราว พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ยังไม่ได้จบเพราะว่าก็มีการาได้ตรัสถึงก่อนหน้าที่จะปรินิพานในหลายเรื่องที่สําคัญอยู่ค่ะยังกับเรื่องสังเวชนียสถานตอนนี้จะมีทัวร์ไปต่างประเทศกันเยอะเลยนะคะไปเที่ยวสังเวชนียสถานพระพุทธองค์เคยตรัสในเรื่องสังเวชนียสถานไว้อย่างไรเหมือนกับที่คนในสมัยนี้เข้าใจหรือไม่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้นะคะ หลังจากที่พระอนนุ์ได้ตั้งคำถามโดยพระอนุนนั้นทูล ถ, ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ก่อนนี้ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาในทิศ ต, ต่างๆแล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นภิกษุทั้งหลายผู้น่าจเจริญใจเหล่านั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมหมดโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าจเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไป ร่างนนท์ได้กราบทูลถามคำถามนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันพรินิพานนะคะพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรทัทธามีอยู่สี่ตำบลตาบลอะไรเล่าดูก่อนอานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรทัทธาว่าพระตถาคตประสูทิ์แล้วนที่นี้หนึ่ง สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้หนึ่งสถานที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่า พระตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุแล้วณที่นี้หนึ่งอนน์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีสี่ตำบลเหล่านี้แหลอานน์ภิกษุทั้งหลายหรือภิกษุณีทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายหรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจักพากันมาสู่สถานที่สี่ตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประศุตแล้วณที่นี้บ้าง พระตถ า, าคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างพระตถ า, าคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างพระตถ า, าคตได้ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานาธาตุณที่นี้บ้างดังนี้อานนลชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดียสถานจะมีจิตเลื่อมใสทํากาละแล้วชนเหล่านั้นจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทําลายแห่งกาย ดังนี้ค่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสนะคะว่าสีสังเวชนียสถานนั้นก็คือสถานที่ประสูตรตรัสรู้แล้วก็แสดงพระธรรมจกักรคือประกาศธรรมนะคะกับสถานที่ที่ปรินิพานซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนั่นเองและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งจากพุทธประวัติจากพระโอษค่ะเสียดายเนี่เวลาของเรากาลังใกล้จะหมดดิฉันก็เลยมี แต่เรื่องที่คิดว่าจะต้องสรุปสุดท้ายทุกครั้งเพราะอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสเข้าใกล้คําสอนของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าเป็นพุทธวัตรธรรมวินัยจากพระพุทธโอดนะคะหนังสือที่เราแจกอยู่ก็ยังแจกกันต่อเนื่องไปก็คือหนังสือพุทธวัตรฉบับ9้าวย่างอย่างพุทธ43เรื่องที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้นะคะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กค่ะ ติดต่อที่0 2 2 6 9 0 0 0 6และ0226900060พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ